ตึตนตึงตึไบนใครช่วงไหนใครช่วงไหนที่วัดมีคนมาปฏิบัติธรรมเยอะในครัวก็ต้องมีอาหารแต่ว่ามีงานเยอะข้งานหรือถ้าบางช่วงที่วัดมีงานอื่นเสริมนะที่ต้องทํางานที่ต้องขอแรง ก, กันนะอาจจะขอแรงที่วัดจะดีหรือว่า ขอแรงเป็นรายบุคคลก็ดีนะให้ทำงานเสริมก็หลายหลายท่านไปบางทีจะรู้สึกว่าเหมือนเบียดเบเวลาปฏิบททัตนะิธรรมคล้ายว่าพอเวลาต้องทำงานเนะี่ยอื่นที่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมในรูปแบบกนะ็คิดว่าดีคล้ายเราเสียเวลาในการปฏิบัติธรรมไปพอทำงานก็เหมือนเล่งนทมที่มัน เสร็จเร็วๆนะอยากให้งานนั้นเสร็จเร็วๆนะจะได้พอทํางานเสร็จแล้วจะได้ปฏิบัติธรรมเสร็ทีพนะอยิ่งคิดงานนั้นก็ยิ่งทง า, า, านก็ทํางานเป็นความเร่งรีบเป็นความร้อดนดนะอนพอมาปฏิบัติธรรมเข้าใจไม่ค่อยสงบครเพราะว่าทั้งวันก็รีบร้อนร้นอนมาเลย พอมาปฏิบัติธรรมก็บางทีก็มัมกจะโกรธว่าใจไม่สงบเลยนะว่ามาทําในรูปแบบก็โทษเพราะฉะนั้นคนนี้ว่าพอให้ไปทำงานข้าง น, นอกนะั่นแหละใจก็เลยวุ่นวายใจกระทบกับสิ่งอื่นจิตใจก็เลยไม่สงบบางทีก็เป็นความที่เขาเข้อนใจนะมันค้อนใจว่าตอนที่ทำงานอย่าอื่นะไม่ใช่เวลาปฏิบัติธรรมก็เต้องรีบ ทำใมันเสร็จจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของนักปฏิบัติธรรมบางคนนะที่วัดงัพวกเราเคยเป็นไหมในการปฏิบัติธรรมเราอยากก็อยากจะทําในรูปแบบที่มันเยอะๆเนาะถ้ามาเนี่ยอื่น เ, นน า, นนเาคิดว่ามันไม่ใช่มันคงทําได้ไมดีน ะ, ะในการปฏิบัติธรรมก็เลยต้องเร่งให้มันเสร็จเร็ว ธรรมายังก็ปวชมาสิบสี่ห้าปีครับที่บ้านแต่ละปีก็แต่ละวันก็มีงานหลายอย่างนะเพื่อแต่บวชในใหม่ก็เหมือนกันนะอืต้องพระยังมีมากนะก็ต้องอืมทำบัญชีว่าอ่าหือจัดการเป็นจีประตาคล้ายๆหนั้นพระบำรุ น, ะนกระแสวก็เหมือนเป็นเป็นเลขาเป็นแม่บ้านอ่านะดูแลติวแจดูแล ติต่างไปในวัดตอนที่พักยังไม่มากนะหรือแม้แต่ปอนทีพักมากขึ้นโยมมากขึ้นพาระไปในวันก็ก็ามากขึ้นตามไปแม่คนมนช่วยขึ้นๆแต่ก็เ้าเองก็มีงานหลายอย่างเหมือนกันแต่แรกก็จิงนะว่านี่เราบวชมาเราไม่อยากจะมาทำงานกันนี้นะถ้าเราจะมาทํางานนี่เราผงไม่บวชดีกว่านะไปทํางานเต็มตัวดีกว่านะนะแต่ก็ พอมาคิดไปที่มาแต่แรกก็ถ้าเรามีช่วยใครช่วยเนาะทํงานนะเราก็องนะอเห็นยวช่วยได้ทําไมเราต้องมาหวงแหนของเราหวังความรู้ความสมานารของเราด้วยนะก็กต่แรกก็ต่อจิตต่อใ จ, อใจยังไงดีแต่ก็จิตที่ที่จิค ท, ที่จะช่วยก็มีมากกว่าก็เลยก็ทําไป เดีบางครั้งบาง ท, งทีไม่เป็นงานบางอย่างบางทีเรารู้สึกว่าทีเา่เรามาบวชเนี่ยเหมืนมาเป็นงานมันคนทบนก็กาบไว้เนาะแต่ทําไมแต่ญาติโยมบคนนั้ น, น, น, นไม่รู้ว่าเพื่งหลังข้ามอีกทำงานยิ่กว่าตำรวจนะบางทีส้วมเต็ ม, มก็ต้องไปตัดส่วมนะอ่พ่อตันแลต้องไปตัดดับไม้ที่มันตันในพ่อนะอืม หรือว่าขยะอันไหนนี่โปะๆก็ท้องไปเคลียร์บางทีไปนั่งดาสตาน์ในนั่งดูดูสวยงามสะอาดดีนะแต่นั่นหลังกทอจีวอนออกในเดือนทอังสฤษกับสมบงนี่อาจจะทำงานยิ่งกว่าสมอกรอนใครับแต่บางทีก็คิดนะเราเรียนมาขนาดนี้สมัยต้องมาทํางานแบบนี้ด้วยแต่จริงกองงานนั้นจริงๆมันเป็น ความคิดมาหอกเราให้เราแบบให้เราเกี่ยงนานให้เราไม่อยากมีไหนะที่จริงถ้ารียกว่าทีจริงก็อาจจะเป็นความเสี่งแก่ตัวบางอย่างของเรานะที่มันทําให้เราไม่อยากไปทํามองไม่อยากทําเรื่องพวกนั้นบางทีเราไปมองว่างานพวกนั้นเป็นงานที่ต่ําหรือถ้าจะโยงม่อีกทีหนึงก็เหมือนไล้ายว่างานพวกนั้น่ะเราไม่ได้ปฏิบัติทํา อยู่ภายในงานเท่านั้นเป็นงานที่แค่ใช้แรงหรือเป็นงานที่เริ่มเวลาของเราเดี๋ยวเรามองว่างานเท่านั้นเป็นงานที่ไม่มีคูณค่าเท่าไหร่อันนี้อามาก็เชื่อว่าหลายคนนะ อ, อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี้อาจจะเป็นที่อื่นที่บางทีก็จะมอแงแนะบบแยกเนาะมองว่าการทํางานนะเป็นเรื่องที่มัน มันไม่ค่องเกิปดประโยชน์ในการภาวนาแต่จริงถ้าเรานะลองฝึกลนะอง ม, มองให้ดีๆนะที่จริงงานตัวนี้นเป็นงานภาวนาได้ทั้งหมดเลยนะงานภาวนาทั้งหมดก็เลยเพราะภาวนาจริงๆคือการลดความเห็นแก่ตัวของปรจักจิตใจนี่แหละเป็นการลดลดละเลิกการทิถือในตัวตน ความสําคัญนั่นหมายอะไรที่มันเป็นปินั่นแหละถ้าเราทําไปแล้วก็เออดีในบางอย่างเราไม่เคยทํางานเหมือนงานใช้แรงงานเราเรียนมาสูงเราถนัดใช้ความคิดพอเราทํางานแต่ไม่ต้องใช้ความคิดแบบคนธรรมดาว่าบางทีมันก็ล ด, ดอีโก้ล ด, ด, ด ต, ตัวตนของตัเองลง ไ, ได้เยนนะอะหนักหรือบางทีเนี่มบางคนที่ยัง ม, ม, มีสถานะทางสังคมสูงนะบางที ก็จะมีความหลงในความปันเสดเยินยอคนเขาล้มนับถือคนกราบไหว้เราก็ถือว่าของโขนมันเป็นของโนแบบนี้แต่จริงพอเรานนั้ใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาว่ามันใช้แรงว่ามันก็เป็นการรู้จักวาของโขนขอของโขนเราไปจากจากชีวิตบ้างมันก็ทําให้ชีวิตเราเราเบานะแต่ถ้าใคร การสื่อของโขนนะเออเราเป็นนั่นเป็นนี่นะใครจะมาติดฉีดดินทาเราไม่ได้ใครังมาให้เราเอทําทงานแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้คือเรากออ็ื่นตัวนะเออเราก็ื่นตัวของเราเองนะบางทีเราก็ต้องมองดีๆนะที่จริงงานต่างๆเนี่ยมันเป็นงานที่เราสามารถฝึกภาวนาได้กกับการงานาแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นงานที่เสียเวลาเนะี่ย เราก็จะไร่งรีบทําให้มันเสร็จเร็วจนกระทั่งด on ื่ตัวว่าตอนนั้นใจเราร้อนใจก็เครียดใจมันจุกหีบก็ได้เหมือนอย่างที่ได้ยินนะหลวงพ่อชาท่านก็เคยเล่าว่าตั้งแต่ตอนที่ท่านยังบวชไม่นานนะท่านไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่กินรีท่านก็ไปอยู่กับหลวงปู่กินรีก็ อยากจะนั่งตสมาทีอยากจะเดินจงกรมให้มากๆนะวันหนึ่งพระจีวรท่านขาดนะท่านก็แบบรีบๆนะเอาเข็มเอาได้ายมนะาเย็บจีวรไปคลายเย็บให้มันแบบให้มันเสร็จเร็วๆนะใจร้นนอนหลวงปู่ปินาะรีก็ถานมาท่านชาท่านทำอะไรอลวงพ่อนะชาแต่ก็ยังเป็นพรานหนึ่งก็บอกก็เย็บจีวรนะรีบเย็บจีวรให้มันเสร็จ แต่็จแล้วจะได้ไปนั่งสมาธิจะได้ไปปฏิบัติธรรมเตีหลวู่กินนรีเขาบอกว่าถ้าไม่รู้เหรอว่าเทปจีวรนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้นะนะมันที่ทําแบบนั้นมนเสียของหมดนะเสียของในที่นี้ถ้ามาจีความนะอาจจะทั้งเสียทั้งนะการจีวรก็ จ, จะเสียไม่สวยหรือไม่เรียบร้อยนะก็อาจจะทําให้ไม่ไม่คงทน อีอย่างก็เสียติตใจแล้นะเสียของมันในใจเราก็ร้อนใจเราก็หล่นนะที่ทำให้มันเสร็จนะเสียทั้งนะงานที่ทําายรอกเสียทั้งคุณภาพจิตนะ่ที่มันผิดปกติไปที่มันร้อนหล่ไปด้วยเนะี่ยเรียกว่าเสียของนะใครจะเป็นแบบนี้ไหมรู้สึกแต่เราทําอะไรแล้วเราดิ้นทำให้มันเสกเสกไปนะมันเสียของนะนะ เราเราต้องระลึกให้มันได้ว่าที่จริงมันทุกเรื่องเป็นเรื่องภาวนาเั้ยงนั้นเลยนะตั้งแต่ตื่นจนหลับนะเป็นเรื่องภาวนาเพีงนั้นเลยนะที่จริงถ้าเราสามารถระลึกได้ว่าในการงานที่เป็นชิ้นประจาวันของเราเนี่แหละคือทางภาวนาเั้ยงนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแปรงการการขาบน้ําการขับถ่ายการกินการเดินนะ เราสามารถเติมความรู้ตัวเข้าไปก็เป็นการภาวนาแล้วนะหรือบางทีเราต้องทํางานในที่ทํางานของเราหรือแม้แต่บางทีบางคนอยู่วัดแต่ก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบหรือต้องช่วยลื้อหนบ้างถ้าสามารถเติมสติเข้าไปกับการทําพวกนั้นได้นะมันก็เป็นการฝึกตนทั้งนั้นเลยนะเราก็สามารถมีสติกับการกว่านใบไมกมีมมมมมมมมสติกับการ อันภาคมีสติในการน้างชาหรือแม้แต่ต้องทํางานใช้ความคิดบ้างแล้วก็สามารถมีสติกับการขีดเขียนหรือว่ามีสติในการรู้ทันอารมณ์นะเวลามันทํางานขึ้นมามันใจมันร้อนนะอยากจะให้งานมันเสร็จเร็วๆเนี่ ย, เ, ย, เ, ยนะเรามีสติรู้ทันใจที่มันรี่ร้อนนะหรือบางทีเราทํางานแบนอื่นนะที่งานหลายอย่างบางทีเราทำงานแบบจิตอาสา ทำงานแบบไม่มีค่าตอบแทนนะบางทีมันจะมีความคาดหวังว่าเหมนคล้ายเออเราใช่แหละเราไม่อยากได้ค่าตอบแทนแต่บางทีเราก็อยากจะรู้สึกว่าคนอื่นเขาชื่นชมเราบ่านะหรือคนอาจจะไม่ได้คิดในแง่คุณค่าตัวเองหรือคำชื่นชมแต่บางทีเราก็จะลึกว่าคล้ายๆว่าาอยากจะทำงานให้มันดีมั้ยอยากจะทํางานให้มันเนียนอยากจะทงานให้มันเรียบร้อยที่สุด บางทีพอมีคนขัดใจมีคนไม่เป็นตามค้นใรที่เราคิดที่เราต้องการมันก็จะมึนหงิดได้ง่ายใช่ไหเนีย่ยถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะรู้สึกว่าคนพวกนี้นมาทําให้จิตของเราเสียมาทําให้จิตเราวุ่นวายจิตไม่สงบแต่เรื่องดีๆว่าคนพวกนั้นก็ทําหรือว่าเราทาตัวเองเราเร่งรี่อเองประตุ้นชุกร้อนขึ้นเปล่า เดย่าพอกระตุกเขาเชื่องชาทุอย่าเขาไม่เป็นตามใจเราเราเลยทุกข์อีกถ้าดูดีๆนะใครเป็นคนทําให้เราทุกข์ใจเราเองนี่แหละที่วางผิดใช่ไหมแต่คิดว่างานนี่มันต้องสมบูรณ์แบบก็คือความคาดหวังของเราะเราคาดแบบแบบนั้นมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราลองเป็นตามความเป็นจริงเนาะว่า เอองาตัว น, นี้มันไม่มันไม่ราบเรียนมันไม่เรียบร้อยเออเราก็แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงไปติดนะแต่เราทําไมไปทุกร้อนกับคนอื่นด้วยใช่หมฮะหรืองานบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้รีบร้อนทันทีทันใดแต่ทำไมใจเราร้อนเหลือเกินอยากมันเสร็จวันนี้นะเพราะอะไรก็ราะดูตัวเองแล้วอ้เพราะใจเราเนี่ยมันมีพลังดีพันอยากจะไปเลยจะกลมแล้วอยากจะไป ย่อมมือตั้งจังหวะแล้วจะจะไปทํำสมาธิแล้วไปลืมดึมงานเฉพาะหน้าคือปัจจุบันที่เรากาลังทำนะครเรามีความคาดหวังอยากจะทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่ทำในตอนนี้ใช่ไหมมาเป็นตัวทําให้จิตมันทุกข์เรารู้ดีนะนะบางทีใครทําให้เราทุกข์กนะ็ใจเราเองเนี่แหละที่วางผิตนะมาทําให้จิตมันทุกข์ แต่ถ้าเราอยู่ดีๆนะงานทุกอย่างเป็นงานภาวนาได้ทั้งนั้นอย่างที่อาจามาพูดไม่แต่มาที่ใช้แรงนะธรรมดาธรรมดาเราก็เติมสติเข้าไปให้เรารู้ตัวกับสิ่งที่กาลังทำอยูนะ่ไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะกวาดพื้นไม่ว่าจะหันผาว่าทำไห น, นเราก็อยู่กับปัจจุบันะให้เราเป็นสติรู้ว่ากายกำลัง หรือบางขณะมันมีสิ่งกระทบนะเกิดขึ้นนะก็ให้เรามีสติรู้ทันนะว่าตอนนี้ใจมีสีตอนนี้ใจมันฟุ้งซ่านตอนนี้ใจมันสงบนะตอนนี้ใจมันมีความดีตอนนี้ใจมันขี้เกียจนนะักเลยนะก็รู้อย่างที่มันเป็นนะนั่นนะเพราะฉะนั้นติดที่กระทบเนี่ยเป็นครูสอนธรรมะเราได้ทนาดนั้น น, นะถ้าเรามีสติเราจะมองอ๋อที่แหละ เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่นะว่าอะไรเราเห็นใจมุ่งมิตรี่รได้ปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้าคนใจมุ่งมิตรแลไม่รู้ถ่านว่าใจมุ่งิเข้าไปดูในอาการมุ่งมิตถอนั้นะแหละก็ไม่ ป, ปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหแต่ถ้าเราเห็นแล้งใจเรานีร้อยอแต่เรามุ่งมิต อ, อนะเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วคนกาตอนนี้เราเออเห็นแล้วเราไม่พอใจนะ เข้ามาว่าเราเนะี่ยมันรู้สึกไม่พอใจนีม่มันดีที่กลับมาเห็นนะั่นเห็นว่ามันไม่พอใจหรือเข้ามาชมเราสันเติเราเนะเห็นใจเราที่มันฟูขึ้นมาอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะนั้นการปฏิบัติธรรมเนะี่ยไม่ว่าเราจะปฏิบัติในรูปแบบก็ดีหรือว่าเราทำการงานอย่างอื่นก็ดีนะ ให้เราเลือกเป็นเวลาปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยถ้าใครสามารถเลือกแบบนี้ได้นะไม่แบ่งแยกว่าอันนี้เป็นช่วงเวลาภาวนาอันนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาภาวนาเนี่ยถ้าเราสามารถให้รวมเป็นหนึ่งเดียวไหนว่าทุกเรื่องราวในชีวิตของเราทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาะทีเนี่ยคือเวลาภาวนาทั้งนั้นแต่กิจกรรมที่ทำหรือสิ่งที่กระทบ มันก็มีความต่างกันบ้างแต่ทุกอย่างเนี่ยมาเป็นช่วงเวลาที่เรากลับมาดูกายดูใจของเราเท่านั้นเลยถ้าเรากลับมาดูมาศึกษามาเห็นมาเรียเข้ากันี่มันได้ปัญญาอ่ามันได้สติใน้ปัญญาเานั้นเลยสติคืออะไรคือการที่เรากลับมาแล้วเรรู้ดูตัวเองกลับมารู้รู้ตัวเองรู้กายว่ารู้ใจบ้าง เราดูตัวเองนะเราจะมีปัญญาว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงหรอกนะเมื่อกี้นี่เขาชงเราเกิดความพอใจขึ้นในใจสักพักหนึ่งเขาอาจมีคนอื่นมาดีนทาเราอ้ใจเราก็ตกไปแล้เห็นอะไรเห็นใจเราที่ไม่เที่ยงเมื่อกี้ยังมีใจอยู่เลยนะพอเขามาบ้านที่หนึ่งเนี่ยเสียใจแล้วยังไหมใจ ม, ม, มันไม่เที่ยงนะ หรือเมื่อกี้คนเมื่อกี้น่ะมันช้ามันดูชเราอยู่เลยตอนบ่ายเข้ามาดิพาเห็นไหมเขาก็ไม่เทียบบังคับก็ไม่ได้นะหรือแม่แต่บางทีทำไมคนนี้ชมแล้วเราคูอีกคนนึงเราตรงแล้วเราเราสฉยเฉยก็มีนะมันบังคับไม่ได้นะหรือทําไปแต่ลักษณะบางทีจิตมันก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันแสดงความไม่เทียบให้เห็นนะ มันแสดงความที่มันเป็นไปตามเหตุผลปัจจัยของมันที่เห็นมันเห็นเลยว่าเป็นมันเป็นเช่นนั้นของมันเองนะมันไม่ใช่เรื่องของเราจิตใจเราดูดีมันมันไม่สามารถบังคับได้นาทีข้างหน้าเราจะบังคับที่สุดได้ไหมเนี่ยเราจะนั่งยดมือเหมือนเดิมนะแต่จะนั่งเราจะเดินจนกลงนะแต่เราก็ไม่สามารถสั่งจิตให้มันสงบ ตัดจิตให้มันมีความสุขก็ไม่ได้นะตัดจิตให้มันไม่คิดก็ไม่ได้นะนะถ้าเราตัดไม่เห็น น, ะนจะจ่ะถม้แต่จิตของเราเองที่จริตมันจะไม่ได้จีตของเราจริงเนาะมันเป็นจิตเนี่ยเรายัางบังคับไม่ได้เลยคนอื่นเนี่ยเราจะไปบังคับได้ยังไงนะพอเราทำํำลายคนอื่นเราก็จะยิ้ได้เป็นก็เป็นอนาานะัตตาทุกอย่างมันก็ไม่ไมสามารถบังคับบัญชาได้มันก็เปลี่ยนแปลง แสดงตัวใจรักน่าเลยนะว่าเราทํางานกับคนอื่นเนี่ยยิ่งสนุกนะเพราะยิ่งเห็นนเห็นความเป็นใจรักของคนอื่นแล้วก็ที่จริงเมื่อย้อนควาเห็นสิ่งที่เป็นใจรักในการในใจของเราด้วยพอเห็นแบบเ น, นี้ยมันทํางานไปก็สนุกไปนะพอเราทํางานแล้วก็นัลึกมีสติอยู่เป็นวยพอเราทํางานเสร็จมีเวลาไปปฏิบัติธรรมในรูปแบบ มันก็จะต่อนื่องไปไดอยู่นะมันก็จะต่อเนื่องพอทําในรูปแบบเสร็จมีคนมากอร้องนัอยู่ช่วยงานหรือถึงเวลาต้องไปทํางานในคืนนะจะมันก็ต่อเนี่ ย, แบบ ย, ไ, ปย ไ, ปไปปฏิบัติทํานอกรูปแบบต่อเลยนะดงั้นวันทั้งวันเนี่นยเป็นการปฏิบัติครับตั้งแต่คืนจะทําดับไปเลยนะบาง ท, ทีแค่เ ป, เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติความเฉยถ้าเราสามารถวางจีตแบบนี้ได้นะ เนี่ยเราจะปฏิบัติทำได้ทุกวัเนเลย อ, อาศัยการมีสติรู้กายรู้ใจนี่แหละเข้าไปเกี่ยวข้อกตอนไหนที่เราวางใจได้จิตมันทุกเนี่ยเออเราก็ดีนะเราก็ทําให้เราเก่งว่าเฮ้ ย, เ, ยเราหลงไปแล้ว เ, เราหลงไปคาดหวังกับคนอื่นมากเกินไปเราหลงไปคาดหวังกับตัวเองละทําให้จิตมันทุกละแล้วก็ตัม า, มามาดูพอรู้ตัวมก็จะวางตัวเอง ก็จะวางเองพอเราเป็นคุีกับคนอื่นนะมันก็เกิดสติรู้ตัวมันก็วางได้พอใจเรารีบร้อนอยากจะทำงานให้มันเสร็จเออเราก็รู้ตัวว่าเฮ้ยเราตี่เป็นไหนเนาะทําไมเราต้องรีบวิ่งด้วยทำไมเราต้องรีบเดินด้วยนะสังเกตไหมบางทีเราก็รีบวิ่งเนาะบางทีเราก็รีบเดินสังเกตไหมบางทีความรีบบางที่เราอาจจะมีเห็นที่ใจแต่บางทีเราก็ดูที่การก็ได้นะ สังเกตไหมบางคนถ้าเดินแบบเท้าแบบไปเท้ามันจิกบ่อยๆเนาะแส่คนใจร้อนเท่างหร่นะการเดินไปเท้ามันจิกนะแต่ถ้าเดินแบบเต็มเท้าดีๆนะเรียกว่าเหมือนมีด้่ใช่ไหมัางทีเราก็สังเกตดูร่างกายเราก็ได้นะบางทีผมบอกว่าจิตใจมันรีบร้อนนะเราเขียนก็เหมือนกันสังเกตไหมเราเขียนเรื่องความรีบร้อนไหมหรือเขียนเรื่องความนสนับเสมอ แดือสมัยนี้ก็ไม่ต้องเขียนนะเรพิมพ์เนี่ยเราเรียบพิมพ์ไหมหรือว่าเราเราไม่ค่อยสะกดไปทีละคำทีละคำเนีบางทีเราที่ยิ่งรีบนะยิ่งช้านช่ไหเก่นไแต่เราพิมพ์เร็วๆเนี่ยมันก็ผิดนะเราก็าต้องมามาลบมาแก้บ่อยๆใช่ไหมยิ่งรีบก็บยิ่งช้าเนียิ่งอยากอยากให้มันเสร็จเร็วๆใจก็ยิ่งไม่สนุกใจก็ยิ่งร้อนแต่ถ้าเราไปไล่ทําทีละขณะ มันมีคาตินะเขาบอกว่าเดินทีละก้าวนะกินข้าวทีละคถท ำ, ำทีละอยางนะัเราเดินทีละก้าวนะมีจสถิในการเดินทีละกนะ้าวเนี่ยยังไงก็ถึงนะยังไงก็ถึงมีพระอยู่ที่วัดรูปหนึ่งนะท่าไปเดินทุ่งโดที่อินเดียเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดินประมาณพนะันสะี่ร้อยกิโลได้ะประมาณร่วมเกือบสองเดือนตอนแรกไปเริ่มเดิน ประมาณสัปดาห์แรกนะท่า น, นก็นได้หาขึ้นมาร่วมจวไปดูเปล่านอกแบบเหนื่อยเดินวันหนึ่งสี่สิบห้าสิบกิโลเมตรนะตั้งแต่ปีสองปีสามที่เดินนะจะไปดูเปล่านะอายุก็ว่วงห้าสิบแล้วประมาณนะี้มาเขาบอกให้เดินกีละเก้าให้เดินกีละเก้าท่านก็ปฏิบติเดินกีฬาเก้าพอไปเดินจน่านรวมสองเดือนนะท่านก็ เดินพอกลับมาได้ที่เราปลกใจได้เองทําได้นะก็เลยพอใจเราไปคิดว่ามันจะไหวเรื่อเปล่าโอ้เพิ่งเดินมาได้อาที่เดียวยังต้องเดินอีกร่วมเจ็ดอาทิตเนี้ยจะไนปลเรือเปล่าน้อเนี้ยพอใจเราไปคิดถึงปลายทางข้างหน้ามันก็เด่เกิดความทุขแต่ถ้าเราเดินทีละก้าวเดินทีละก้าวยังไงก็ถึงถ้ามันไม่เจ็บนะถ้ามันไม่ไม่สบายจริง ก็เดินไปกินข้าวมันก็ถึงไดนะ้เรากินข้าวก็เหมือนกันนะเราสัง เ, เกตงไหมเรามีสติในการกินสีธรรมรู้สึกตัวในการกินแต่ละครนะันะ้งไหมเดี๋ยวเราทําอะไรนะเราทําทีไ้อย่างไนหะมบางทีแล้วก็อยากจะทำหลายอย่างนั่นเองกนะ็เลยต้องแบบต้องดูทั้งปาทั้งเขียนต้องพูดแบบนี้นะบาทีก็ทําลายๆอย่างก็ร้องกัน บางคนคิดว่าเป็นการประหยัดเวลาแต่จริงประหยัดเวลาตรงนี้นะก็ไปเสียเวลายัา ง, ง, นะงดื่มมาเลยนะบากคนรีบจะได้เวลาพักพักก็ไปไหนความก็จะได้ไปเที่ยวห้าไปดื่มไปดื่มไปกินไปสนุกสนานเนี่ยงอื่นแต่จริงถ้าเราลองทำทีละอยา่างไม่ถึงกับต้องช้ามากะแต่ไม่ต้องเร่งรีบนะไม่ใช่ว่าเราต้องทําอะไรแบบใช้ช้านะ จิตชื่ออแต่ให้เราทําอะไรก็แล้วแต่ที่มีสติในการทํำบางทีก็ไม่เกี่ยวกับสปีดหรือว่าจังหวะความเร็วเนาะว่าต้องเร็วขนาดนี้หรือช้าขนาดนี้แต่ละคนก็เดินเร็วช้าไม่เท่ากันนะแต่ให้ให้เราดูไปเองแต่คนอายุเยอะแล้วก็จะเดินเร็วเหมือนคนหนุ่มสาวก็ไม่ได้นะมันก็จะล้มนะแต่บางคน คนหนุ่มสาวะเดินแบบนี้เขาเรียกว่าดีของเขานะแต่คนอายุมากหน่อยจะเดินไม่ทันก็าตามจังหวะของเรานรั่นแหละเร า, าเดินแล้ก็าตามจังหวะของเราเราทําการทํางานแล้วก็ตามจังหวะของเราเนี่ยแหละมันกับเราขับรถเนี่ยแหละนะบางจังหวัดช้าก็ต้องช้ามันจะวัดแซงก็ต้องได้อยู่ยบา้างบางจังหวัดตามไปก็ต้องนะจับรอได้บา้างนะ ลาบางทีเรานัา่งรถเนาะเป็นพาร์ก็ไม่ค่อยได้ขั บ, บรถนอกจากได้ล้่นะี้หน่อยแต่ก็จะสังเกตโชเฟอร์นะัคนขั บ, บรถเราก็จะเห็นว่ใครใจร้อนใครใจเย็นนะสังเกตได้เลยบางทีพอมีคนจะขอทางเนะี่ยโชเฟอร์บางคนเนะี่ยก็จะไม่ค่อยอยากจะให้ทานเขาก็จะดีดไปแต่บางคนพอเขาข อ, ข อ, ขอทางเนะี่ยเขาเขาจะชอบชะลอหยุดให้เขาไปก่อนเนี่นี้ ในว่าเขาใจเย็นเนาะเขารอได้บางทีมันเสียววเวลาแค่ไี่นี่วนาทีแหละนะแต่มันเห็นได้ ว, ว่าจิตมันต่างกันพอคนใจร้อนอะ่ะรีบอ่ารีบเหยียบไปเลยเขาจะได้ไม่แทกมาเออมันต้องจิตก็อื่นแบบหนึ่แต่บานคนเือพอเห็นเขาจะแซงเขาจะเขาจะแทซ่ดทำไมอ่ะแซ่ดรอให้เขาจิตเขาต้องสลายขึ้นนะคนนั่งจะรู้สึกสบายใจไปด้วย พอคนนั่งเห็นคนขับใจร้อนนี่ก็อืก็เสียวๆนะเสียวๆไปมันก็เห็นนะมันก็เห็นว่าที่จริงเราก็ใส่การภาวนาหรืการขับรถก็ได้สังเกตนะถ้าเรารู้ทันเราทําไมเราร้อนขนาดนั้นเนาะเราไม่เห็นนะอแน่นคือยังก็เป็นการสังเกตจากภายนอกแต่ถ้าเราลองสังเกตตัวเราเองนะเวลาเราทํำอะไร ทำเล็ใจอย่างไรเนะี่ย้วค่อยๆปรับลองมาเนาะนี่คือการภาวนาทั้งนั้นเลยนะกรภาวนาไม่ใช่เป็นแค่การทําในรูปแบบนอกจากรูปแบบก็คิ่งเป็นการภาวนาที่ต้องใช้จิตใช้ปัญญาให้ามากเลยด้วยนะบางทีทําในรูปแบบเนะียบางทีก็ไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะว่าถิ่แวรอมมันเพื่อหรือว่ามาันไม่ค่อยไปกระทกั บ, ท บ, ทบคนอื่นใช่ไหมเราทํา เรายกมือเนี่ยนะดอลิฟุสตาดอลิชิแต่เราก็ไม่ถุกท่านต้องไปไปด่าไปทาร้ายคนอื่นใช่ไหมอืมเราก็เก็บไว้ในใจอ่ามันก็ไม่ค่อยตกต้นจะต้องตอบคนอื่นเท่าไหรแต่ยิ่งเราก็ทางานนี่แหละเรานี่ต้องภาวนามากเพราะเพราะคาพูดสีหน้าท่าทางหรือการกะทำบางอย่างของเราอ่ะมันตกต้นจะต้องตอบคนอื่นได้เยอะเลยใช่มเขาเลื่อเริ่งงานเขาแค่ถาม แต่เราบุญกิจแล้วนะเราก็ไปแสดงความไม่พอใจเขาเขาตบองบุญกิต่ออีกเขาก็อาจจะไว่าคนอื่นต่อยกระทบไปเรื่อยๆเป็นโดมิโนเแต่ถ้าเขาถามเด็กก่อนเตะล้อเราตอบด้วยความจริงจัะเขาก็จะเตาใจขึ้นมาพอเขาเตาใจขึ้นมาเขาจะไปบอกคนอื่นต่อด้วยใจที่ตะโกนขึ้นแบบนี้เกาส่งผลกระทบต่อการงานที่ ทำงานจะมีความสุขในมากขึน้นเนาะเนี่ยเริ่มแต่ตัวร เ, นะเราเองนี่แหละเนาะเราสังเกตดกูตัวเราเองถ้าเราทํางานไม่ความใจร้อนเนี่ยบางทีเพื่อนรอกขั้นก็จะใจร้อนตามนะหรือว่ามุ่งมิตไม่มีความสุขกับการทํางานแต่ถ้าเราทํางานด้วยควาสมสงบเนี่ยก็จะคอยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการทํางานของเราให้ ม, มนันสงบมากขึ้นโยน หรืงทีเราทางานเราก็ต้องผรวมระบายบางทีบันมีตัวพูดบางทีคนไทยก็จะมีติ๊กติ๊กใส่ชอบแบบคู่สนุกสนานนะเอามันได้ก่อนนะจะได้แบบเป็นเพลินแต่จริงก็เป็นการสร้างความฟุ้งร้างไปอีแบบนึงเหมือกันนะบางทีเราก็ต้องเลือกนะให้มันพอดีดดนะนะไม่ใช่สนุกินท่านฟุ้งซ่านไป แต่ให้มันเป็นความสุขในการทํางานนะมีความตั้งใจในการทํางานเพราะเนี้ยมันทาให้จิตใจมีสมาธิจิตใจมัน ม, มีฟุ้งซ่านพอเราเก็บภาวนาต่อมันก็จะภาวนาแบบคล้ายๆต่อเนื่องไปเลยนะมันก็จะต่อเนื่องเป็นรูปโซ่ไะมนะ่ว่าเราจะทาในรูปแบบก็ดีทานอกรูปแบบก็ดีเนะี่ยเพียงแค่อาศัยการวางใจที่ถูกว่า เราสามารถภาวนาได้ในทุกที่ทุกเวลาเลยเพราะอะไรเราภาวนาคือการกลับมาดูกายดูใจมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นดูสิ่งที่ตั้งอยู่ดูสิ่งที่ดับไปในกายในใจเนะีนะ่มันจะเห็นความจิตตรงนี้แหละนั่นคนะือ ก, การภาวนานะแต้จริงๆเราภาวนาไม่ได้บอกว่าจะเเขวนะบางทีบนาะงคนถ้าตัา้งนใจภาวนาเป็นไปมันเืนไม่คล เรจะมาเอาอะไรสักอย่างเนาะเอเราเก็บอารมณ์เวลาเราตั้งใจเกินมากเหมือนมันต้องได้สิมันต้องดีขึ้นสิเหมือนเราจะเอาเหมือนเราหาเงินเนาะเราต้องรวยขึ้นเรามต้องมีตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นดงงานมันต้องเตร็มากขึ้นนะมันเหมือนเอาอะเอาเข้าตัวเองไอ้ที่ทำงานที่คือการปล่อยคือการวางไครที่มันยึดเราวางออกไป อะไรที่มันหลงระวางออกไปอะไรที่มันสำคัญบรนหมายผิดนะั่นะวางออกไปนะทิฏฐภาวนาคือการล ด, ดการละการเลื่อความเห็นผิดความยึดถือหรือตัวตนที่เราหลงข้านะันแหละเราปไปนะอันนั้นแหละคือภาวนาทั้งนั้นเลยนะนะที่จริงเราให้ระวางนยจนะภาวนาเพื่อเพื่อไม่เอาอะไรนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เอาแบบตั้งทิฏฐิว่าจะไม่เอาทุกอย่าง ไม่ใช่เลนะไม่เอาตือไม่ยึไม่ถือนะแค่เห็นนะเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางนะไม่ใช่ว่าไม่เอาคือการปฏิเสธอารมณ์ไม่ใช่นะนะไม่เอาคือเห็นแล้วไม่ยึดว่เป็นตัวตนของเราเป็นผู้ดนะูนะั่นแหละในการไม่เถานะแค่เราภาวนาแบบนะี้วันทั้งวันจะเป็นเวลาภาวนาของเราทั้งหมเลยนะเราจะเลือกจากโฉลกกา เป็นเวลาในการภาวนาทั้งนั้นเลยลองดูเนาะในท้องถนนก็เป็นช่วงเวลาภาวนาในร้านอาหารก็เป็นช่วงเวลาภาวนาในออฟฟิศในที่ทํางานในโรงพยาบาลก็เวลาภาวนาทั้งนั้นหรืออยู่กับครอครัวก็เวลาภาวนาดีๆเลยนะบางคนมีลูกบางคนมีพ่อมีแม่ก็เป็นช่วงเวลาดูอารมณ์เวลากระทบน มันเกิดขึ้นมาโดยเพราะคนใกล้ตัวนะมันเป็นเรื่องที่ต้องพอนานเยอะเลยบางทีหลายอย่างอนะ่ะคนนอกคนไกลๆตัวตอนทำเน่ยเราไม่ค่อยเห็นดีแต่ถ้าคนใกล้ตัวทําเนี่ยจะรู้สึกแบบมีอารมณ์เยอะกว่าปกตินะบางทีก็ต้องดูพนจารณานะอเพราะว่าพอคนใกล้กล้ตัวเราก็มีความคาดหวังเยอะมันมีความห่วงใยมันมีความรักเยอะมันก็จะทุกได้เยอะนะเราก็ต้องดูดีๆ เนะวลาเราเกี่ยวขอ้องกับคนต่างๆเราเนี้ยเป็นชะ่วยในการให้เราภาวนาทั้งนั่งนฤตนะอันนี้ก็บอกไปนะมาเราจะได้นะเอาไปลใชยย้ดูแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่ามัานต้องให้มันดีลัทธิเศษนะก็ค่อยๆพัฒนาภาวนาจริงคือการพัฒนาะค่อยๆพัฒนาไปไปจจะม่ไดีสมบูรณ์ในวนันสองวันในเดือนนี้แหละแต่เรา ตั้ไว้ เ, เราจะจะพัฒนาเป็นในทานองนี้ะต้องเห็นต้องขยายผลที่มันมากขึ้นแล้ว น, นะแต่บางทีก็มีขึ้นมีลงบ้างนะแต่ล้เราไม่คิ้งกันนานก็เดี๋ยวค่อยเข้าใจมากขึ้นว่ามันขเขับไม่ได้เนา ะ, ะแล้วก็มีแต่วความปล่อยความวางไม่เป็นอะไรนะจัาของ ม, อมันแต่เราก็ยังทําหน้าที่ของเราต่อนะอะมันก็นจะวางแล้ว น, นะไปเรื่อยๆก็อบอกไปที่ไหน